หมวดที่8สดสำนักฉับพันและสำนักเชื่อมชา้ขาขณะที่พระสังฆปรินายกพำนักอยู่ที่วัดโปลำนั้นอาจารย์ชินเฉาก็สั่งสอนธรรมอยู่ที่วัดยุกส่วนในเมืองตังนั่นขณะนั้นสำนักทั้งสองคือสำนักของท่านเว่ยหลางซึ่งอยู่ทางใต้และสำนักของท่านชินชฉาซึ่งอยู่ทางเหนือต่างก็รุ่งโรธทัดเทียมกัน เนื่องจากสำนักทั้งสองนี้มีชื่อต่างกันคือฉับพันฝ่ายใต้และเชื่องช้าฝ่ายเหนือจึงเกิดปัญหาขึ้นแก่พุทธศาสนิกชนสมัยนั้นว่าตนจะเป็นสารุสิษ์สำนักไหนดีเมื่อเห็นเช่นนั้นพระสังฆปริณายกจึงกล่าวในที่ประชุมว่าในส่วนที่เกี่ยวกับธรรมย่อมมีเพียงสำนักเดียวถ้าจะมีต่างสำนักกันขึ้นก็ตรงที่ผู้สถาปนาสำนักหนึ่ง เป็นชาวเมืองเหนือและผู้สถาปนาอีกสำนักหนึ่งเป็นชาวเมืองใต้แม้มีหลักธรรมอยู่เพียงอย่างเดียวแต่สานุสิตบางท่านก็เข้าใจธรรมได้ดีกว่าผู้อื่นเหตุที่มีคำว่าฉับพลันและเชื่องช้าก็เพราะสานุสิ์บางคนมีสติปัญญาเฉียบแหลมกว่ากันเท่านั้นสำหรับธรรมแล้วความแตกต่างกันระหว่างฉับพลันกับเชื่องช้าย่อมไม่มีทั้งทั้งที่พระสังฆปริณายกได้กล่าวไวเช่นนั้น สารุสิ์ของชินเฉาก็ยังกล่าวตำหนิพระสังฆปริณายกอยู่เสมอพวกนี้กล่าวดูหมิ่นท่านว่าเป็นคนไร้าการศึกษาไม่อาจดารงตนให้คู่ควรแก่การเคารพใดๆไ ด, ได้ตรงกันข้ามสําหรับชินเฉาเองนั้นท่านยอมรับว่าท่านมีภูมิปัญญาต่ำกว่าพระสังฆปริณายกยอมรับว่าพระสังฆปริณายกได้บรรลุปัญญาโดยไม่ต้องมีอาจารย์แนะนําช่วยเหลือและยังเข้าใจถึงคําสอน ของสำนักมหายานอย่างปลุกโลงท่านชินชาวยังได้กล่าวเสริมต่อไปว่าอาจารย์ของเราพระสังฆปริญายกองที่หคงไม่มอบชีวอและบาดแก่ท่านผู้นี้อย่างปราศจากเหตุผลอันควรเราเสียใจที่เราเองไม่คู่ควรแก่พระบรมราชูปถัมภ์ของพระมหาจักรพรรดิและเราก็ไม่สามารถเดินทางได้ไกลเพื่อไปรับคําสอนจากท่านผู้นี้ด้วยตนเองพวกท่านทั้งหลายควรไป เพื่อไต่ถามธรรมจากท่านที่โสกายวันหนึ่งชินชอกล่าวแก่ศิษย์คนหนึ่งชื่อชีชิงว่าเธอเป็นคนรอบรู้และปัญญาเฉียบแหลงฉันขอให้เธอไปโสกายเพื่อฟังคำสอนที่นั่นเมื่อได้เรียนอะไรแล้วขอให้พยายามจำไว้ให้มากที่สุดและกลับมาเล่าให้ฉันฟังชิชิงได้ไปยังโสกายตามคาสั่งของอาจารย์ตน เขาปากปนเข้าไปกับฝูงชนเพื่อฟังธรรมโดยไม่ได้บอกกล่าวว่าเขามาจากไหนพระสังฆปริณายกกล่าวขึ้นในที่ประชุมว่ามีคนซ่อนตัวเข้ามาในนี้เพื่อเรียนแบบคําสอนของเราท่านใดนั้นชีชินก็ก้าวออกมาข้างนอกทําความเคารพพระสังฆปริณายกและบอกกับท่านว่าเขามาจากสํานักไหนพระสังฆปริณายกถามว่าท่านมาจากวัดยุคส่วนใช่ไหมถ้าอย่างนั้น ท่านต้องเป็นคนสอดแนมชีชิงตอบว่าเปล่าครับข้าพเจ้าไม่ได้เป็นคนสอดแนมพระสังฆปริณายกถามว่าทำไมไม่ใช่ชีชิงตอบว่าถ้าข้าพเจ้าไม่ได้บอกอะไรกับท่านนั่นสิข้าพเจ้าจึงจะเป็นคนสอดแนมแต่นี่ข้าพเจ้าก็ได้บอกกับท่านหมดจึงไม่ใช่พระสังฆปริณายกถามว่าอาจารย์ของท่านสอนลูกศิษย์ว่าอย่างไรบ้าง ที่ชิงตอบว่าท่านอาจารย์สอนให้พวกข้าพเจ้าทำสมาธิในความบริสุทธิ์ให้นั่งขัดสมาธิอยู่ตลอดเวลาไม่ให้นอนพระสังฆปรินายกกล่าวว่าการทำสมาธิในความบริสุทธินั้นไม่แน่แน่และไม่ใช่สมาธิการกักตัวเองให้นั่งขัดสมาธิอยู่ตลอดเวลานั้นตามหลักแห่งเหตุและผลแล้วไม่เกิดผลดีอะไรขึ้นมาจงฟังสลกของฉันคนเป็นย่อมจะนั่ง และไม่นอนอยู่ตลอดเวลาส่วนคนตายนั้นนอนและไม่นั่งสำหรับร่างกายอันเป็นเนื้อหนังของเรานี้ทำไมเราจะต้องคอยนั่งขัดสมาธิเมื่อได้ทำความเคารพพระสังฆปรินายกอีกเป็นครั้งที่สองชีชิงจึงกล่าวว่าแม้ว่าข้าพเจ้าจะได้ศึกษาพระพุทธศาสนาจากท่านอาจารย์ชินเซามาเป็นเวลา9ก้าปีแล้ว ข้าพเจ้าก็ยังไม่เคยบรรลุธรรมเลยแต่พอได้ฟังคาพูดของท่านเท่านั้นดวงจิตของข้าพเจ้าก็สว่างสวัยและเนื่องจากปัญหาแห่งการเวียนเกิดโดยไม่จบสิ้นเป็นปัญหาเฉพาะหน้าฉะนั้นขอท่านได้โปรดเมตตาข้าพเจ้าโดยสั่งสอนข้าพเจ้าต่อไปด้วยพระสังฆปรินายกกล่าวว่าฉันรู้ว่าอาจารย์ของท่านสอนพวกลูกศิษย์ทางศีลสมาธิและปรัชญาลองบอกทีสิว่า เขาอธิบายความหมายของคำเหล่านี้ไว้ว่าอย่างไรชีชิงตอบว่าตามคำสอนของท่านอาจารย์นั้นการละเว้นจากการกระทำชั่วทั้งปวงเรียกว่าศีลการปฏิบัติแต่ความดีเรียกว่าปัญยาและการชำระ จ, จิตของตนให้บริสุทธิ์เรียกว่าสมาธิท่านอาจารย์สอนพวกข้าพเจ้าในแนวนี้แหละครับขอท่านได้โปรดให้ข้าพเจ้าได้ทราบหลักการของท่านบ้าง พระสังคาปริณายกกล่าวว่าถ้าฉันบอกท่านว่าฉันมีหลักการในเรื่องธรรมสำหรับสอนผู้อื่นแล้วก็เท่ากับว่าฉันหลอกลวงท่านวิธีที่ฉันสอนลูกศิษย์ของฉันก็ปลดปล่อยเขาให้พ้นจากความเป็นทาสของตัวเขาเองด้วยวิธีต่างๆแลแต่จะเห็นควรการเรียกชื่อเป็นอย่างนี้อย่างนั้นไม่เกิดอะไรดีขึ้นมานอกจากเป็นเพียงเครื่องมือที่นามาใช้แทนเพียงชั่วคราวเท่านั้น ภาวะแห่งการหลุดพ้นนี้อาจเรียกได้ว่าเป็นสมาธิวิธีที่อาจารย์ของท่านสอนถึงศีลสมาธิและปรัชญาเป็นวิธีที่ดีวิเศษแต่วิธีของฉันเป็นคนละอย่างชี้ชิงถามว่ามันจะต่างกันไปได้อย่างไรครับพระคุณท่านในเมื่อศีลสมาธิและปรัชญาต่างก็มีอยู่แบบเดียวเท่านั้นพระสังฆปริณายกตอบว่าคาสอนของอาจารย์ท่าน ใช้สำหรับสั่งสอนแนะนำสานุสิทธิ์แห่งสำนักมหายาส่วนคำสอนของฉันใช้สำหรับสอนสานุสิทธิ์แห่งสำนักสูงเลิศความจริงนั้นก็อยู่ที่ว่าบางคนรู้แจ้งพระธรรมได้รวดเร็วและลึกซึ้งกว่าผู้อื่นทั้งนี้ก็เนื่องจากเราตีความหมายในพระธรรมนั้นต่างกันท่านคงเคยได้ยินและเคยทราบแล้วว่าคำสอนของฉันเหมือนกับของอาจารย์ท่านหรือไม่ในการอธิบายธรรม ฉันไม่เคยเห่ออกไปจากภาวะที่แท้แห่งจิตฉันพูดในสิ่งที่ฉันระหนักรู้ได้ด้วยปัญญาญยาณหากพูดเป็นอย่างอื่นไปแล้วก็แสดงว่าภาวะที่แท้แห่งจิตของผู้อธิบายยังมืดมัวและแสดงว่าเขาสามารถแต่ต้องได้เพียงเปลือกนอกของธรรมเท่านั้นคําสอนที่แท้สำหรับศีลสมาธิและปรัชญานั้นควรจะยึดหลักที่ว่า อาการของสิ่งทั้งหลายได้แรงกระตุ้นมาจากภาวะที่แท้แห่งจิตจงฟังสโลกของฉันดังนี้การทำจิตให้เป็นอิสระจากมลทินทั้งปวงคือศีลของภาวะที่แท้แห่งจิตการทำจิตให้เป็นอิสระจากความกระวนกระวายทั้งหลายคือสมาธิของภาวะที่แท้แห่งจิตสิ่งที่ไม่เพิ่มขึ้นหรือไม่ลดลง นั่นแหละคือวัชระวัชระหมายถึงภาวะที่แท้แห่งจิตการมาและการไปเป็นสมาธิในขั้นต่างๆเมื่อได้ฟังเช่นนี้ชีชิชจงจึงกล่าวขาออภัยที่ได้ถามปัญหางโง่ๆออกไปและกล่าวขอบคุณในคำสอนของพระสังฆปรินายกพร้อมกับกล่าวสโลกตอไปว่าความเป็นตัวตนนั้นไม่ใช่อะไร นอกจากเป็นภาพลวงอันเกิดจากการประชุมกันของขันห้าและภาพลวงนี้ก็ไม่มีอะไรที่จะเกี่ยวข้องกับความจริงแท้การยึดมั่นว่ามีตัธตาสําหรับเราที่จะยึดหมายหรือมุ่งไปสู่ย่อมเป็นธรรมที่ไม่บริสุทธิ์อย่างหนึ่งเมื่อได้กล่าวรับรองสโลกของชีชิงแล้วพระสังฆปรินายกจึงกล่าวตอไปว่าคาสอนของอาจารย์ท่านในเรื่องศีลสมาธิ ป, ปัญญานั้น ใช้กับคนฉลาดในประเภทด้อยส่วนของฉันนั้นใช้สำหรับคนฉลาดในประเภทเด่นใครที่ตระหนักชัดถึงภาวะที่แท้แห่งจิตก็อาจเลือกใช้ลักที่เหล่านี้ได้เช่นโพธินิพพานและวิชาแห่งความหลุดพ้นผู้ที่ไม่ได้รับมอบหลักธรรมหรือไม่มีหลักธรรมสักอย่างเดียวเท่านั้นที่สามารถวางหลักเกณฑ์ในธรรมทั้งปวงได้ และผู้ที่เข้าใจความหมายของคำที่ขัดกันเองเหล่านี้เท่านั้นจึงอาจใช้คำเหล่านี้ได้ผู้ที่ได้ดะหนักชัดถึงภาวะที่แท้แห่งจิตแล้วย่อมไม่มีอะไรที่เห็นว่าแตกต่างกันไม่ว่าเขาจะวางหลักเกณฑ์ในธรรมทั้งปวงหรือไม่ก็ตามเขาย่อมเป็นอิสระที่จะมาหรือไปเขาอาจอยู่ในโลกนี้หรือจากโลกนี้ไปได้ตามประสงค์และเป็นอิสระจากอุปสรรค หรือเครื่องข้องทั้งหมดเขาจะปฏิบัติการตามความเหมาะสมกับเหตุการณ์ที่ควรเป็นเขาจะตอบคำถามตามอัธยาศัยของผู้ถามเพียงแต่ชำเลืองดูเท่านั้นเขาก็จะเข้าใจดีว่านิรมาณกายทั้งหมดเป็นส่วนเดียวกับภาวะที่แท้แห่งจิตเขาบรรลุความเป็นอิสระอภิญญาและสมาธิซึ่งทำให้เขาสามารถช่วยเหลือมนุษยชาติอันเป็นงานแสนลาบากได้อย่างง่ายดาย เสมือนกับว่าเป็นการเล่นสนุกของเขาบุคคลเหล่านี้ล้วนเป็นคนที่ได้จะหนักชัดถึงภาวะที่แท้แห่งจิตมาทั้งนั้นชีชิงถามต่อไปว่าพวกข้าพเจ้าจะใช้หลักการอะไรสําหรับยกเลิกหลักธรรมทั้งปวงพระสังฆปริณายกตอบว่าเมื่อภาวะที่แท้แห่งจิตของเราปราศจากมนทินปราศจากความโง่และปราศจากความกระวนกระวายเมื่อเราตรวจตราภายในจิตของเราด้วยปริยายอยู่ทุกขณะโดยไม่ว่างเว้น เมื่อเราไม่ยึดติดอยู่กับสิ่งทั้งหลายและไม่ยึดติดอยู่กับวัตถุที่ปรากฏเราก็เป็นอิสระและเสรีเราจะวางหลักเกณฑ์ในทําไปทําไมเมื่อเราอาจบรรลุจุดประสงค์ได้โดยไม่มีปัญหาไม่ว่าเราจะเหลียวซ้ายหรือแลขวาทั้งนี้เนื่องจากความพยายามของเราเองที่เราตระหนักชัดถึงภาวะที่แท้แห่งจิตและเนื่องจากการตระหนักชัดกับการปฏิบัติธรรมนั้นเป็นสิ่งที่ต้องปฏิบัติพร้อมกันไป ไม่ใช่ค่อยทำค่อยไปทีละขั้นการวางหลักเกณฑ์ในธรรมจริงไม่จำเป็นเพราะธรรมทั้งหลายย่อมมีลักษณะเป็นนิพพานอยู่แล้วในเนื้อหาเราจะสามารถไปกำหนดเป็นขีดขั้นได้อย่างไรชีชิงทำความเคารพและขอฝากตัวเป็นสิทธิ์ของพระสังฆป ร, ริณายกในหน้าที่นั้นเขาได้ปรนิบัติท่านทั้งกลางวันและกลางคืนภิสูตชีใสเมื่อ ย, ยังเป็นคราวาสมีนามว่าจางหังจง เป็นชาวเมืองเกียงสีในวัยหนุ่มเขาชอบการผจญภัยเนื่องจากสำนักปฏิบัติธรรมสองสำนักนี้ต่างรุ่งโรธทัดเทียมกันคือท่านเว้ยหลางแห่งสำนักฝ่ายใต้และชินเซาสำนักฝ่ายเหนือพวกสารุสิธตบางคนมีโวดรุนแรงในทางถือพวกถือคณะทั้งทั้งที่อาจารย์ทั้งสองเองต่างก็มีใจโอนอ่อนผรตามกันไม่ได้ยึดถือเป็นเขาเป็นเราแต่พวกสารุสิทตเหล่านี้กลับเรียกอาจารย์ของตนคือท่านชินเซาว่า เป็นพระสังฆปรินายกที่หกทั้งๆ ท, ที่อาจารย์ตนนั้นไม่มีสิทธิ์อะไรมากไปกว่าพวกเขาเองพวกสารุสิทธิสํานักฝ่ายเหนือปกติชอบอิจฉาพระสังฆปรินายกซึ่งท่านเป็นผู้มีกรรมสิทธิ์โดยสมบูรณ์ในตําแหน่งนั้นอันใครจะปฏิเสธไม่ได้เพราะท่านเป็นผู้ได้รับมอ บ, บาัตรและจีวรดังนั้นเพื่อที่จะกําจัดพระสังฆปรินายกเสียพวกนี้จึงจาง้จ า, งางจางฮังจงซึ่งในครั้งนั้นยังเป็นคาวาสให้มาฆ่าพระสังฆปรินายกเสีย ด้วยอํานาจอภิญญาที่สามารถอ่านกระแสจิตของผู้อื่นได้พระสังฆปรินายกจึงทราบแผนการต่างๆล่วงหน้าเมื่อท่านเตรียมตัวไว้พร้อมที่จะรับการฆาตกรรมครั้งนี้แล้วท่านก็นําเงินสิบําลึงมาเก็บไว้ข้างๆอาสนะจางหางจงเมื่อมาถึงวัดตามเวลาอันควรเย็นวันหนึ่งก็ย่องเข้าไปในห้องของพระสังฆปรินายกเพื่อทําการฆาตการรมพระสังฆปรินายกจึงยื่นคอออกไปให้ฟันถึงสามครั้ง แต่ฝันไม่เข้าท่านจึงกล่าวว่าดาบที่ตรงย่อมไม่คดแต่ดาบคดย่อมไม่ตรงฉันเป็นหนี้ท่านก็เพียงเงินเท่านั้นแต่ชีวิตฉันไม่ได้เป็นหนี้ท่านเลยจางฮางจงตกใจอย่างสุดขีดเขาเป็นลมสลกไปเป็นเวลานา น, านจึงฟื้นเขาเสียใจมากและสำนึกผิดจึงอ้อนวอนขอความเมตตาต่อพระสังฆปรินายกและขอบวชทันที พระสังฆปรินายกมอบเงินสิบตำลึงให้เขาและกล่าวว่าท่านอย่าอยู่ที่นี่เลยเพราะลูกศิษย์ของฉันคงจะทำร้ายท่านไปซะก่อนแล้วเวลาอื่นค่อยปลอมตัวมาหาฉันใหม่ฉันจะดูแลความปลอดภัยให้ท่านเมื่อได้รับคำสั่งเช่นนั้นเขาก็หนีไปในคืนวันนั้นภายหลังต่อมา ได้บวชเป็นพระภิกษุครั้นได้รับการอุปสมบทโดยสมบูรณ์แล้วเขาก็ปฏิบัติตนเป็นพระที่มีความเพียรยิ่งวันหนึ่งเมื่อระลึกถึงคํากล่าวของพระสังฆปรินายกได้เขาจึงเดินทางรอนแรมมาเป็นระยะทางไกลเพื่อเข้าพบและนมัสการพระสังฆปรินายกพระสังฆปรินายกกล่าวว่าทําไมจึงได้มาจนล่า ช, าช้าเช่นนี้ฉันคิดถึงท่านตลอดเวลา จางกล่าวว่าเนื่องจากวันนั้นท่านได้อภัยความผิดของข้าพเจ้าด้วยเมตตาอย่างหาที่เปรียบไม่ได้ข้าพเจ้าจึงได้บวชเป็นภิกษุและศึกษาพระพุทธศาสนาเรื่อยมาด้วยความภาคเพียรแม้กระนั้นก็ยังรู้สึกว่ายากที่จะตอบแทนพระคุณท่านได้เพียงพอนอกจากข้าพเจ้าจะสามารถแสดงความกตัญจูได้ด้วยการเผยแพร่ธรรมเพื่อความหลุดพ้นแก่สามัญสัตว์ทั้งหลายเท่านั้น ในการศึกษามหาปริญญาณสูบนั้นข้าพเจ้าพยายามอ่านอยู่เสมอแต่ก็ไม่เข้าใจถึงความหมายของคำว่าถาวรและไม่ถาวรขอพระคุณท่านได้โปรดอธิบายย่อๆให้ข้าพเจ้าด้วยพระสังฆปรินายกตอบว่าสิ่งที่ไม่ถาวรก็คือธรรมชาติแห่งพุท ธ, ธสิ่งที่ถาวรก็คือจิตใจที่มีลักษณะต่างๆไปตลอดจนธรรมที่เป็นกุศล และทำที่เป็นอกุศลด้วยจางกล่าวว่าท่านครับพระคุณท่านอธิบายค้านกับพระสูตรเสียแล้วพระสังฆปริณายกตอบว่าฉันไม่กล้าทำเช่นนั้นดอกเพราะฉันได้รับมอบหัวใจแห่งธรรมของสมเด็จพระพุทธองค์จางกล่าวว่าตามความในพระสูตรนั้นธรรมชาติแห่งพุทธาย่อมถาวร ส่วนธรรมที่เป็นกุศลทั้งมวลรวมทั้งโพธิจิตจิตแห่งปัญญาไม่ถาวรแต่ท่านกล่าวเป็นอย่างอื่นเช่นนี้จะไม่เป็นการค้านหรือคำอธิบายของท่านยิ่งสร้างความสงสัยและความสับสนให้แก่ข้าพเจ้ายิ่งขึ้นพระสังฆปริญายกตอบว่าครั้งหนึ่งฉันได้ให้พิกษุณีชื่อวูจุงจองอ่านมหาปริญญานสูตรให้ฉันฟังตลอดทั้งเล่มเพื่อฉันจะได้อธิบายให้เธอฟังได้ ทุกๆคำพูดและทุกๆความหมายที่ฉันได้อธิบายไปในครั้งนั้นก็ตรงกับคำภีทั้งสิน้นและที่ฉันกำลังอธิบายท่านฟังขณะนี้ก็อ ย, าย่างเดียวกันไม่มีอะไรแตกต่างกันไปจากคำพีเลยจางกล่าวว่าเนื่องจากปัญญาของข้าพเจ้าทึบท่านกรุณาอธิบายอย่างละเอียดและพิสดารให้ข้าพเจ้าฟังด้วย พระสังฆปรินายกกล่าวว่าท่านไม่เข้าใจดอกหรือว่าถ้าธรรมชาติแห่งพุธทธาเป็นสิ่งถาวรก็ไม่มีประโยชน์อะไรที่จะมาพูดถึงธรรมที่เป็นกุศลและธรรมที่เป็นอกุศลและตราบจนกระทั่งสิ้นกันก็นยังไม่มีใครจะปลุกโพธิจิตได้เพราะฉะนั้นเมื่อฉันพูดว่าไม่ถาวรก็ตรงกับสิ่งที่สมเด็จพระพุทธองค์ตรัส ว, ว่าถาวรโดยแท้จริง เช่นเดียวกันถ้าทำทั้งมวลเป็นสิ่งไม่ถาวรสิ่งต่างๆหรือวัตถุต่างๆก็ย่อมมีธรรมชาติของมันเองที่จะเกิดและดับซึ่งในกรณีเช่นนี้ย่อมหมายความว่าภาวะที่แท้แห่งจิตอันเป็นสิ่งที่ถาวรโดยแท้จริงย่อมไม่แผ่ซ่านไปทั่วทุกแห่งเพราะฉะนั้นเมื่อฉันพูดว่าถาวรก็ตรงกับสิ่งที่สมเด็จพระพุทธองค์ตรัสว่า ไม่ถาวรโดยแท้จริงเพราะว่าสามัญชนและพวกมิจฉาทิฏฐิเชื่อในความถาวรที่ผิดคือเชื่อในความเที่ยงแท้ของวิญญาณและโลกส่วนพวกสาวกก็เข้าใจผิดว่าความเที่ยงแท้ของนิพพานเป็นสิ่งที่ไม่ถาวรจึงเกิดความเห็นที่กลับกันอยู่แปดประการเพื่อที่จะชี้ให้เห็นผิดของการมองด้านเดียวเชน่นนี้สมเด็จพระพุทธองค์ จึงตรัสสอนให้เข้าใจง่ายๆในมหาปรินิพพานสูตรซึ่งอธิบายถึงหลักธรรมอันสูงสุดของคำสอนในพระพุทธศาสนาคือความถาวรที่แท้จริงความสุขที่แท้จริงอัตตะที่แท้จริงและความบริสุทธิ์ที่แท้จริงการอ่านไปตามตัวหนังสือในพระสูตรโดยไม่รู้เรื่องอะไรท่านจึงไม่เข้าใจถึงหัวใจแห่งพระสูตรในการถือเอาว่า สิ่งใดที่แตกทําลายสิ่งนั้นไม่ถาวรและสิ่งใดที่คงทนไม่เปลี่ยนแปลงสิ่งนั้นถาวรท่านจึงแปลความหมายในคําสอนครั้งสุดท้ายของสมเด็จพระพุทธองธค์ผิดคําสอนนี้เป็นคําสอนที่สมบูรณ์ลึกซึ้งและครบถ้วนท่านอาจอ่านพระสูตรนี้สัพันธ์ครั้งแต่ท่านจะไม่ได้ประโยชน์อะไรจากพระสูตรเลย ทันใดนั้นจางก็บรรลุธรรมโดยสมบูรณ์และกล่าวสโลกแก่พระสังฆปรินายกว่าเพื่อที่จะชี้ข้อผิดแก่ผู้ยึดมั่นในความไม่ถาวรสมเด็จพระพุทธองค์ตรัสสอนธรรมชาติที่ถาวรผู้ไม่เข้าใจว่าคำสอนนี้เป็นเพียงวิธีการอันชาญฉลาดก็เหมือนกับเด็กที่หยิบก้อนกรวดแล้วบอกว่าเป็นเพชร โดยไม่ต้องใช้ความพยายามใดๆในตัวข้าพเจ้าเลยธรรมชาติแห่งพุท ธ, ธะก็ปรากฏอยู่แล้วสิ่งนี้ไม่ใช่เนื่องมาจากคำสอนของท่านอาจารย์และก็ไม่ใช่เนื่องมาจากการบรรลุของข้าพเจ้าพระสังฆปริณายกชมเชยว่าเดี๋ยวนี้ท่านได้ตระหนักชัดโดยตลอดแล้วจากนี้ไปท่านควรได้ชื่อว่าสีใส ผู้ตระหนักชัดโดยตลอดชีไซกล่าวว่าขอบคุณพระสังฆปรินายกแล้วนมัสการจากไปชินบุยอายุ30สปีเกิดในตระกูลโกแห่งเมืองชิงหยางเดินทางมาจากวัดยุกส่วนเพื่อนมัสการพระสังฆปรินายกพระสังฆปรินายกกล่าวว่าสหายผู้คงแกเรียน ท่านคงต้องลำบากมากที่เดินทางมาไกลเช่นนี้แต่ท่านบอกฉันได้ไหมว่าอะไรเป็นหลักเบื้องต้นถ้าท่านบอกได้ท่านก็รู้จักเจ้าของลองพูดมาสิความไม่ยึดติดเป็นหลักเบื้องต้นการรู้จักเจ้าของก็คือความตระหนักชัดชินวุยตอ่อพระสังคปรินายกตำหนิว่าสามเณร น, นี้พูดเปล่าเปลือยไม่มีคุณค่าอะไรเลย ท่านไหนนั้นชินวุยได้ถามพระสังฆปริณายกว่าในการทําสมาธิพระคุณท่านรู้หรือไม่พระสังฆปริณายกเอาไม้ที่ถือตีชินวุยสามทีแล้วถามชินวุยว่ารู้สึกเจ็บหรือไม่ชินวุยตอบว่าเจ็บและไม่เจ็บพระสังฆปริณายกก็ตอบว่าฉันรู้และไม่รู้ ชินวุยถามว่าเป็นไปได้อย่างไรที่ท่านรู้และไม่รู้พระสารคปรินายกบอกว่าสิ่งที่ฉันรู้และรู้อยู่เสมอก็คือความผิดของฉันเองสิ่งที่ฉันไม่รู้ก็คือความดีความชั่วความเป็นกุศลและความเป็นอ ก, กุศลของผู้อื่นนี่แหละฉันจึงรู้และไม่รู้เอาละ่ะลองบอกทีสิว่า เจ็บและไม่เจ็บนั้นท่านหมายถึงอะไรถ้าท่านไม่เจ็บท่านก็ไม่มีความรู้สึกเหมือนท่อนไม้หรือก้อนหินอีกประการหนึ่งถ้าท่านรู้สึกเจ็บและเกิดความโกรธหรือความเกลียดท่านก็อยู่ในฐานะสามัญชนคำว่ารู้และไม่รู้ที่ทั้งอ้างเป็นคําคู่ประเภทตรงข้ามส่วนคําว่าเจ็บและไม่เจ็บนั้น เป็นประเภทธรรมซึ่งเกิดขึ้นและดับไปท่านกล้าหลอกลวงผู้อื่นโดยที่ท่านไม่เคยตรหนักชัดถึงภาวะที่แท้แห่งจิตของท่านเองชินวุยกล่าวขอขอมาและกราบนามัสการขอบคุณในคําสอนของพระสังฆปรินายกพระสังฆปรินายกได้กล่าวต่อไปว่าถ้าท่านมีความหลงผิดและไม่สามารถตรหนักชัดภาวะที่แท้แห่งจิตได้ ท่านควรขอคำแนะนำจากสหายผู้คงแก่เรียนและใจบุญเมื่อจิตของท่านสว่างสวัยแล้วท่านย่อมรู้จักภาวะที่แท้แห่งจิตเมื่อนั้นท่านจะเดินอยู่ในทางที่ถูกขณะนี้ท่านยังหลงผิดไม่รู้จักภาวะที่แท้แห่งจิตแต่ท่านยังกล้าถามฉันว่ารู้จักภาวะที่แท้แห่งจิตหรือไม่ถ้าฉันรู้ฉันก็ตนักของฉันและความจริงที่ฉันรู้ ก็ไม่อาจช่วยท่านให้พ้นจากความหลงผิดได้โดยทำนองเดียวกันถ้าท่านรู้ความรู้ของท่านก็ไม่เป็นประโยชน์แก่ฉันแทนที่จะถามผู้อื่นทำไมจึงไม่หาด้วยตนเองให้รู้ด้วยตนเองเล่าชินวุยได้กราบนมวัส ก, การพระสังฆปริณายกอีกร้อยกว่าครั้งกล่าวคําแสดงความเสียใจและขออภัยต่อพระสังฆปริณายกจากนั้นมา ชินวุยกลายเป็นผู้ปรอิบัติพระสังฆารินายกอย่างขยันขันแข็งวันหนึ่งพระสังฆารินายกกล่าวในที่ประชุมว่าฉันมีของอย่างหนึ่งไม่มีหัวไม่มีชื่อไม่มีฉายาไม่มีข้างหน้าและไม่มีข้างหลังใครรู้จักบ้างชินวุยก้าวออกมาข้างนอกและตอบว่าสิ่งนั้นคือที่มาของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย และคือที่มาของธรรมชาติแห่งพุท ธ, ธะของชินวีพระสังฆปรินายกตำหนิว่าฉันได้บอกท่านแล้วว่าไม่มีชื่อไม่มีฉายาท่านก็ยังเรียกว่าที่มาของพระพุทธเจ้าทั้งหลายและที่มาของธรรมชาติแห่งพุท ธ, ธะแม้ว่าท่านจะเฝ้าเรียนอยู่แต่ในโรงธรรมต่อไปท่านก็คงเป็นนักศึกษาประเภทจำเอาความรู้ของผู้อื่นมาทั้งสิ้น ความรู้จักตำราและคําสอนไม่ใช่ความรู้ที่ได้จากปัญญายานชินบุยได้เดินทางไปเมืองโลยางเผยแพร่คําสอนของสำนักฉับพันออกไปอย่างแพร่หลายท่านผู้นี้ได้เขียนหนังสือชื่อตําราอย่างง่ายเกี่ยวกับคําสอนทางทยายนะเป็นหนังสือที่แพร่หลายมากท่านชินบุยนี้คนทั่วไปเรียกกันว่าท่านอาจารย์โฮแซซึ่งเป็นชื่อของมัด เมื่อเห็นว่าบรรดาสานุสิทธิ์จากสำนักต่างๆพากันมารุมล้อมถามปัญหาอย่างมากมายซึ่งล้วนแต่เป็นเจตนาอันไม่สุจริตทั้งนั้นพระสังฆปริณายกจึงกล่าวแก่พวกนั้นด้วยความสงสารผู้เดินทางควรกำจัดความคิดทั้งงวลเสียความดีก็เช่นเดียวกับความชั่วสิ่งนี้ย่อมเป็นเพียงหนทางที่เรียกกันว่าภาวะที่แท้แห่งจิตเท่านั้นโดยแท้จริงแล้ว ย่อมไม่อาจเรียกเป็นชื่อใดๆไ ด, ได้ธรรมชาติอันไม่เป็นของคู่นี้คือธรรมชาติที่แท้จริงและหลักคำสอนทั้งหลายก็อาศัยมูลฐานจากสิ่งนี้คนเราควรจะตระหนักถึงภาวะที่แท้แห่งจิตในทันทีที่เขามาถึงเมื่อได้ฟังเช่นนั้นทุกๆคนที่มารุมล้อมถาม ก็ทำความเคารพและขอฝากตัวเป็นสานุสิษฐ์ของพระสังฆปรินายกบวชที่9พระบรมราโชประธรรมพระบรมราชโองการของพระมหาจักรพรรดินีพระพันปีหลวงเชกทินและพระมหาจักรพรรดิจุงจุงประกาศเมื่อวันขึ้น15หค่ำเดือนอ้ายปีที่หนึ่งแห่งรัชการสินหลุมดังนี้ เนื่องจากข้าพเจ้าทั้งสองได้เชิญท่านพระอาจารย์เวยอ่อนและพระอาจารย์ชินเซาให้พำ น, นักอยู่ในพระราชวังเพื่อรับของถวายข้าพเจ้าได้ศึกษาทางพุทธญาณจากท่านพระอาจารย์ทั้งสองนี้ทุกโอกาสที่ว่างจากพระราชกรณียกิจแต่ด้วยความถทำตนอย่างบริสุทธิ์ใจท่านพระอาจารย์ทั้งสองนี้ได้แนะนําให้ข้าพเจ้าขอคําแนะนําจากท่านพระอาจารย์เวยหลางแห่งสำนักใต้ ซึ่งเป็นผู้ได้รับเลือกสำหรับรับม่อรพระธรรมและบาทจีวรจากพระสังฆาปรินายกองค์ที่หเช่นเดียวกับได้รับหัวใจแห่งธรรมของสมเด็จพระพุทธองค์พร้อมนี้ข้าพเจ้าทั้งสองได้ส่งขันทีชิดกันเป็นผู้ถือพระบรมราชโองการมานิมนต์พระคุณท่านไปเมืองหลวงและมั่นใจว่าพระคุณท่านคงเมตตาอนุเคราะห์ข้าพเจ้าทั้งสอง ด้วยการไปเยี่ยมเมืองหลวงโดยด่วนวเนื่องจากสุขภาพไม่สมบูรณ์พระสังฆปรินายกได้ตอบปฏิเสธการนิมนต์ของพระมหาจั ก, กรพรรดิและขอพระบรมราชาอนุญาตที่จะใช้ชีวิตอยู่ในป่าเมื่อเข้าไปในมัสการสนทนากับพระสังฆปรินายกชิดกันได้กล่าวว่าบรรดาผู้เชี่ยวชาญทางทยนนาในเมืองหลวงต่างได้แนะนาประชาชนเป็นอย่างเดียวกัน ให้นั่งขัดสมาธิเข้าสมาธิท่านเหล่านั้นบอกว่าเป็นทางเดียวเท่านั้นที่จะตระหนักชัดถึงหลักธรรมได้ขอให้ข้าพเจ้าได้ทราบถึงแนวคําสอนของพระคุณท่านบ้างได้ไหมครับหลักธรรมนั้นจะตระหนักชัดได้ด้วยจิตพระสังฆปริณายกตอบและไม่ได้ขึ้นอยู่กับการนั่งขัดสมาธิในวัชรักเขที่กระสุดก็กล่าวว่าเป็นการผิดที่ใครๆจะยืนยันว่าตถาคตมาหรือไป และนั่งหรือนอนเพราะเหตุใดหรือเพราะว่าสมาธิแห่งความบริสุทธิ์ของตถาคตไม่ได้หมายความว่ามาจากแห่งใดหรือไปที่แห่งใดไม่ได้หมายความว่ามีการเกิดหรือการดับทำทั้งหลายย่อมสงบและว่างเปล่าโดยทํานองเดียวกันบันลังแห่งความบริสุทธิ์ของตถาคตก็เป็นเช่นนั้นพูดอย่างตรงๆงแล้วไม่มีแม้แต่สิ่งเหล่านี้ที่จะบรรลุได ด้วยเหตุนี้ทำไมเราจะต้องทรมานตัวเองด้วยการนั่งขัดสมาธิชิดการกล่าวว่าเมื่อเดินทางกลับพระมหาจักรพรรดิทั้งสองต้องให้ข้าพเจ้ากราบทูลรายงานเป็นแน่พระคุณท่านจะโปรดการุณาให้คําเตือนที่เป็นหลักสำคัญในการสอนของพระคุณท่านแก่ข้าพเจ้าบ้างได้ไหมครับเพื่อข้าพเจ้าจะได้สามารถกราบทูลให้พระมหาจักรพรรดิทรงทราบ และยังจะได้ชี้แจงแก่พุทธศาสนิกชนทั่วไปในเมืองหลวงอีกด้วยเสมือนกับว่าแสงเพลิงจากประเทศดวงหนึ่งที่อาจจุดต่อให้แก่ประเทศอื่นๆอีกหลายร้อยหลา ย, า ย, ายพันดวงบรรดาคนโง่ทั้งหลายจะได้เกิดปัญญาและแสงสว่างย่อมก่อให้เกิดแสงสว่างต่อไปโดยไม่สิ้นสุดพระสังคาปริณายกตอบว่าหลักธรรมนั้นไม่ได้หมายถึงแสงสว่างหรือความมืดแสงสว่างและความมืดนั้น หมายถึงความคิดที่อาจสับเปลี่ยนกันได้ฉะนั้นการกล่าวว่าแสงสว่างก่อให้เกิดแสงสว่างต่อไปโดยไม่สิ้นสุดจึงผิดเพราะว่ามันมีความจบสิ้นเนื่องจากความสว่างและความมืดเป็นคำคู่ประเภทตรงข้ามในวิมลกิรตินิเทศสูตรกล่าวว่าหลักธรรมนั้นไม่มีข้ออุปมาเพราะว่าไม่ใช่เป็นคาที่อาจเทียบเคียงกันได้ชิดกันแย้งว่า แสงสว่างหมายถึงปัญญาและความมืดก็หมายถึงกิเลสถ้าผู้เดินทางไม่ได้ทำลายกิเลสด้วยอำนาจแห่งปัญญาแล้วเขาจะพาตัวให้หลุดพ้นจากสังสารวัฏอันไม่มีเบื้องต้นได้อย่างไรพระสังฆปรินายกตอบว่ากิเลสคือโพธิสองอย่างนี้เหมือนกันไม่ต่างกันการทำลายกิเลสด้วยปัญญาเป็นคำสอนของสำนักสาวกภูมิและสำนักปัจเจกพุทธภูมิ ซึ่งสานุสิทธ์ของสำนักเหล่านั้นใช้ยานเทียมด้วยแพะและใช้ยานเทียมด้วยกวางสำหรับผู้มีความเฉียบแหลมและปัญญาสูงคำสอนดังกล่าวคงจะไร้ประโยชน์ทั้งสิ้นชิดกันถามว่าถ้ากระนั้นคำสอนของสำนักมหายานได้แก่อะไรพระสังฆปรินายกตอบว่าในทัศนคติของสามัญชนปัญญาและอวิชชาเป็นของสองสิ่งแยกจากกันส่วนคนฉลาด ผู้ได้ตรหนักชัดถึงภาวะที่แท้แห่งจิตโดยตลอดแล้วย่อมรู้ว่าสิ่งเหล่านี้มีธรรมชาติเป็นอย่างเดียวกันธรรมชาติอันเป็นอย่างเดียวกันหรือธรรมชาติอันไม่เป็นของคู่นี้คือสิ่งที่เรียกว่าธรรมชาติที่แท้จริงซึ่งในกรณีของสามัญชนและคนโง่ก็ไม่ได้มีน้อยลงและในกรณีของปราดผู้บรรลุความรู้แจ้งแล้วก็ไม่ได้มีมากขึ้น เป็นสิ่งที่ไม่ได้ไหวสะเทือนในสภาพที่มีความวุ่นวายและก็ไม่ได้สงบนิ่งในสภาพที่มีสมาธิไม่ใช่เป็นสิ่งที่ถาวรและก็ไม่ใช่เป็นสิ่งที่ไม่ถาวรไม่ได้ไปหรือมาไม่อาจพบได้จากภายนอกและก็ไม่อาจพบได้จากภายในหรือไม่อาจพบได้ในอวกาศซึ่งอยู่ในระหว่างสิ่งทั้งสองนี้เป็นสิ่งที่อยู่เหนือความมีอยู่และความไม่มีอยู่เป็นสิ่งที่มีธรรมชาติ และปรากฏการอยู่ในสภาพความเป็นเช่นนั้นตลอดไปเป็นสิ่งที่ถาวรและไม่เปลี่ยนแปลงสิ่งนี้แหละคือหลักธรรมชิดันถามว่าท่านกล่าวว่าเป็นสิ่งที่อยู่เหนือความมีอยู่และความไม่มีอยู่ถ้าเช่นนั้นท่านจะอ้างว่าต่างกับคำสอนของพวกมิจฉาทิฏฐิซึ่งสอนอย่างเดียวกันนี้ได้อย่างไรพระสังฆปรินายกตอบว่า ในคําสอนของผู้มิจฉาทิฏฐิคาว่าไม่มีอยู่หมายถึงการสิ้นสุดของคําว่ามีอยู่ส่วนคําว่ามีอยู่ก็ใช้เปรียบเทียบในทางตรงกันข้ามกับคําว่าไม่มีอยู่สิ่งที่เขาหมายถึงความไม่มีอยู่ไม่ใช่หมายถึงการทำลายล้างโดยแท้จริงและสิ่งที่เขาเรียกว่ามีอยู่ก็ไม่ได้หมายถึงความมีอยู่อย่างแท้จริงสิ่งที่ฉันหมายถึงเหนือความมีอยู่และความไม่มีอยู่ ก็คือโดยเนื้อแท้แล้วย่อมไม่มีอยู่แต่ในขณะปัจจุบันก็ไม่ได้ถูกทำลายล้างไปนี่แหละเป็นความต่างกันระหว่างคำสอนของฉันกับคำสอนของพวกมิจฉาทิฐิถ้าท่านปรารถนาจะทราบถึงประเด็นสำคัญในคำสอนของฉันท่านควรสลัดตัวของท่านให้ปลอดจากความคิดทั้งปวงไม่ว่าดีหรือเลว เมื่อนั้นจิตของท่านจะอยู่ในภาวะอันบริสุทธิ์สงบและสันติตลอดเวลาทั้งคุณประโยชน์ที่จะได้รับจากการนี้ก็มีมากมายหลายเท่าดุดมเมล็ดทรายในแม่น้ำคงาคาคําสอนของพระสังฆปรินายกทำให้ชิดกันบรรลุธรรมโดยสมบูรณ์ในทันใดเขากราบนวส ก, การและอําลาพระสังฆปรินายกกลับเมืองหลวงเมื่อถึงพระราชวังแล้วก็กราบทูลรายงานต่อพระมหาจักรพรรดิ ตามที่พระสังฆปริณายกได้กล่าวครั้นถึงวันขึ้นสามค่ำเดือน9้าปีเดียวกันนั้นพระมหาจั ก, กรพรรดิมีพระบรมราชโองการประกาศชมเชยพระสังฆปริณายกตามความดังนี้ด้วยเหตุชาราภาพและสุขภาพไม่สมบูรณ์พระสังฆปริณายกได้ปฏิเสธการนิมนมาเมืองหลวงท่านขอสละชีวิตปฏิบัติธรรมในพระพุทธศาสนาเพื่อคุณประโยชน์ของพวกเรา ท่านเป็นเนื้อนาบุญแห่งชาติโดยแท้จริงท่านได้ปฏิบัติตามท่านวิมลกิรติซึ่งพักฟื้นอยู่ในเมืองไวยสาลีทำการเผยแพร่าคาสอนของมหายานให้ไพศาลโดยการถ่ายทอดหลักธรรมของสานักทยานะและด้วยการอธิบายหลักธรรมแห่งการไม่เป็นของคู่จากการถ่ายทอดธรรมของชิดกันผู้ซึ่งได้รับส่วนแบ่งในความรู้ทางพุท ธ, ธจากพระสังฆปรินายก ข้าพเจ้าทั้งสองจึงได้มีโอกาสเข้าใจถึงคำสอนชั้นสูงของพระพุทธศาสนานี่จะต้องเนื่องมาจากกุศลและรากเงาแห่งความดีที่ข้าพเจ้าได้สร้างสมมาแต่ชาติบางก่อนมิฉะนั้นแล้วข้าพเจ้าก็คงไม่ได้เกิดมาทันพระคุณท่านในการน้อมสักการะต่อพระคุณของพระสังฆปริณายกข้าพเจ้าสุดวิสัยที่จะกล่าวคำใดๆให้ทัดเทียมได้ฉะนั้น เพื่อเป็นสัญลักษณ์แห่งความคาระวะอันสูงที่มีต่อพระคุณท่านข้าพระเจ้าทั้งสองขอถวายจีวรโลมาและบาทผลึกมาพร้อมนี้และโดยคาสั่งนี้ให้เป็นหน้าที่ของข้าหลวงชิวเจาที่จะปฏิสังขรณ์พระอารามของพระคุณท่านและดัดแปลงบ้านเดิมของพระคุณท่านให้เป็นวิหารทั้งให้ชื่อว่าก ok ๊เยนหรือนาบุญแห่งรัฐในพระประมาภิไธย หมวดที่สิคคำสอนครั้งสุดท้ายวันหนึ่งพระสังฆปรินายกสั่งให้ตามตัวสารนุสิตของท่านคือฟัดหอยชีชิงฟัดตัดชินวุยชีชวงชีตุงชีใสชีตาฟัดจุนฟัดอูและกล่าวกับท่านเหล่านี้ว่าท่านทั้งหลายผิดกับคนอื่นๆที่เหลือเมื่อฉันเข้านิพพานไปแล้ว พวกท่านแต่ละคนจะได้เป็นอาจารย์ทยานะคนละเมืองฉะนั้นฉันจะให้คำเตือนแก่พวกท่านในเรื่องการสั่งสอนเพื่อท่านจะได้รักษาธรรมเนียมแห่งสำนักของเราครั้งแรกชงกล่าวทั้งธรรมสามประเภทต่อไปก็กล่าวทั้งสิ่งที่เป็นของคู่ประเภทจงกันข้าม36คู่อันเป็นอาการไววตัวของภาวะที่แท้แห่งจิตจากนั้นก็สอนวิธีเลีเกลี่ยความสุดโ่งทั้งสองข้าง ในการเข้ามาหรือการออกไปการสอนทุกคราวอย่าเบนออกไปจากภาวะที่แท้แห่งจิตเมื่อใครถามปัญหาท่านจงตอบเข้าไปในลักษณะคำตรงข้ามเพื่อให้เกิดเป็นคำคู่ประเภทตรงข้ามเช่นการมาและการไปก็เป็นเหตุเป็นผลต่อกันและกันเมื่อเพิกถอนการอ้างอิงต่อกันและกันของคำคู่นี้โดยสิ้นเชิงแล้วก็จะเหลือเป็นความหมายอันเฉียบขาดคือไม่ใช่การมาและไม่ใช่การไป ทำสามประเภทนั้นคือขันธ์หรือกองหรือหมวดหมู่อายตนะคือที่ประชุมกันหรือที่พบกันธาตุหรือธาตุตัวประกอบของวิญญาณขันห้าได้แก่รูปคือสสารหรือวัตถุเวทนาคือการรับอารมณ์หรือการสวยอารมณ์สัญญาคือความจำได้หรือความสาเหนียกรู้ในอารมณ์ สังขารความเจตนาของจิตและวิญญาณความรู้ในอารมณ์อาญตนาส2องได้แก่อาญตนาภายนอกวัตถุแห่งอารมณ์6ประการคือวัตถุทางรูปหรือรูปายตนาเสียงสัทธายตนากลิ่นคันทายตนารสรสายตนาสัมผัสโหพพายตนา ความคิดธรรมายตนะอายตนะภายในอวัยวะรับอารมณ์หกประการคืออวัยวะทางตาจักขุวายตนะหูโสตายตนะจมูกคานายตนะลิ้นชิวหายตนะกายกายายตนะและใจมนายตนะถ้าสปได้แก่วัตถุแห่งอารมณ์หก อวัยวะรับอารมณ์6และวิญญาณซึ่งรู้ในอารมณ์6เนื่องจากภาวะที่แท้แห่งจิตเป็นสิ่งก่อกําเนิดธรรมทั้งหลายจึงเรียกว่าวิญญาณคลังหรืออารยะในทันทีที่เริ่มวิธีแห่งความคิดนึกหรือวิธีแห่งการหาเหตุผลภาวะที่แท้แห่งจิตก็กลายรูปเป็นวิญญาณประเภทต่างๆเมื่อวิญญาณซึ่งรับรู้ในอารมณ์ทั้ง6เกิดขึ้นก็จะสำเนีบรู้ในวัตถุแห่งอารมณ์ทั้ง6นั้นจากขวาลทั้ง6 ดังนั้นกิจของท่าสิปจึงนึ่องมาจากแรงกระตุ้นของภาวะที่แท้แห่งจิตไม่ว่าบุคคลนั้นจะปฏิบัติกิจในทางชั่วหรือปฏิบัติกิจในทางดีก็แล้วแต่ว่าภาวะที่แท้แห่งจิตจะอยู่ในอารมณ์เช่นใดอารมณ์ชั่วหรืออารมณ์ดีกิจอันชั่วก็เป็นลักษณะของสามัญชนกิจอันดีก็เป็นลักษณะของพุทธะเพราะว่ามีความรู้สึกที่เป็นของคู่ประเภทตรงกันข้ามฝังติดเป็นนิสัยอยู่ในภาวะที่แท้แห่งจิต สิ่งที่เป็นของคู่ประเภทตรงข้าม36ประการได้แก่วัตถุภายนอก5ประการคือฟ้าและดินอาทิตย์และจันทร์แสงสว่างและความมืดธาตุบวกและธาตุลบไฟฟ้าและน้ำธัมมลักษณะ12ประการคือคำพูดและธรรมการรักและการปฏิเสธสาระและไม่เป็นสาระรูปและปราศจากรูปความแปดพื้นและควาไม่แปดพื้นความมีอยู่และความว่างเปล่าความเคลื่อนไหวและความสงบนิ่งความบริสุทธิ์และมนท์ผิง สามัญชนและปราชญ์พระสงฆ์และฆราวาสคนแก่และคนหนุ่มความใหญ่และความเล็กกิจของภาวะที่แท้แห่งจิต19กคู่คือยาวและสั้นดีและชั่วอวิชชาและปัญญาโง่และฉลาดกระวนกระวายและสงบนิ่งกรุณาและชั่วช้าศี้และไม่มีศีลตรงและคดเต็มและว่างชันและระดับกิเลสและโพธิทาวรและไม่ทาวรเมตตาและโหดร้ายสุขและโกรธ อ่อนโยนและหยาบช้าไปข้างหน้าและถอยหลังมีอยู่และไม่มีอยู่ธรรมกายและกายเนื้อสัมโพคกายและนิรมาณกายผู้ที่รู้จักวิธีใช้สิ่งทั้ง36คู่เหล่านี้ย่อมตระหนักชัดถึงหลักการที่แผลซ่านไปในทุกสิ่งซึ่งกล่าวไว้ทั่วไปในพระสูตรทั้งหลายไม่ว่าเขาจะเข้ามาหรือออกไปเขาย่อมสามารถหลีกเลี่ยงความสุดโต่งทั้งสองข้างนี้ได้ ในการปฏิบัติกิจของภาวะที่แท้แห่งจิตและในการสนทนากับผู้อื่นทางภายนอกเราควเปลื้องตัวเสียจากการยึดติดอยู่กับวัตถุเมื่อจะต้องเกี่ยวข้องกับวัตถุนั้นๆส่วนภายในตามคําสอนทั้งความว่างเปล่าเราควรเปลื้องตนออกจากความคิดที่ว่าขาดศูนย์การเชื่อว่าวัตถุทั้งหลายมีความจริงแท้หรือเชื่อว่าขาดศูนย์ย่อมก่อให้เกิดมิจฉาทิฏฐิอย่างฝังรากลึกหรือพ่อคุณเอวิ ช, ชาให้หนานแน่นยิ่งขึ้น ผู้ที่เชื่ออย่างยึดมั่นในรัฐที่ขาดศูนย์ย่อมดูหมิ่นพระสูตรทั้งหลายในแง่ที่ว่าภาษานั้นไม่จําเป็นถ้าเป็นเช่นั้นแล้วพวกเราก็ผิดในการที่พูดเพราะคําพูดย่อมก่อให้เกิดเนื้อหาทางภาษาและเขาก็อาจแย้งได้อีกว่าสําหรับวิธีตรงนั้นภาษาเป็นนั้นยกเลิกได้แต่เขาจะพอใจกับคําว่ายกเลิกซึ่งก็เป็นภาษาเช่นกันฉะนั้นหรือเมื่อได้ยินผู้อื่นกล่าวถึงพระสูตรคนเช่นนี้จะตําหนิผู้พูดในธํานองว่าติดอยู่กับตํารา มันเป็นความชั่วอย่างพอตัวทีเดียวที่ยึดถือความคิดเห็นผิดๆเช่นนี้ไว้กับตนพวกท่านคนรู้ว่าการกล่าวร้ายต่อบพระสู่รเป็นความผิดอย่างมหันต์เพราะผลลัพธ์ที่จะได้นั้นหนักมากทีเดียวผู้ที่เชื่อในความจริงแท้ของวัตถุภายนอกก็พยายามค้นหารูปนั้นด้วยการปฏิบัติในลัทธิบางอย่างเขาอาจจะห้องบรรยายไวอย้อย่างกว้างขวางเพื่อถกเถียงกันถึงลัทธิเที่ยงแท้และลัทธิขาดศูนย์แต่คนเช่นนี้แม้อีกมากมายหลายกัน ก็ไม่อาจจะตระหนักชัดถึงภาวะที่แท้แห่งจิตได้เราควรเดินทางไปตามคําสอนของพระธรรมอย่าปล่อยใจให้เฉื่อยชาเพราะจะเกิดอุปสรรคแต่ความเข้าใจในหลักธรรมได้การสอนหรือการฟังพระธรรมโดยไม่ได้ปฏิบัติตามย่อมเป็นการเกิดช่องให้เกิดมิจฉาทิฏฐิฉะนั้นเราควรเดินทางไปตามคําสอนของพระธรรมและในการเผยแพร่ธรรมก็ไม่ควรให้ความคิดเห็นถึงความจริงแท้แห่งวัตถุมาชักนําเราไป ถ้าท่านเข้าใจสิ่งที่ฉันพูดและนําไปใช้ในการสั่งสอนในการปฏิบัติและในชีวิตประจําวันท่านจะสามารถจับความสําคัญของสํานักเราได้เมื่อมีปัญหาถามมาจงตอบไปในทํานองปฏิเสธถ้าเป็นปัญหากล่าวปฏิเสธจงตอบในทํานองบอกรับถ้าถูกถามถึงสามัญชนจงตอบเรื่องของปราบจากการเปรียบเทียบกันหรืออ้างอิง ก, กันระหว่างสิ่งตรงข้ามทั้งคู่จะทำให้ผู้ฟังเข้าใจในทางสายกลางได้ ถ้าปัญหาต่างๆถามมาในทำนองนี้ท่านจงอย่าตอบให้ผิดไปจากสัจจะสมมุติมีคนถามท่านว่าความมืดคืออะไรท่านก็ตอบเข้าไปว่าความสว่างเป็นเหตุความมืดเป็นปัจจัยเมื่อความสว่างหายไปความมืดก็ตามมาสองสิ่งนี้อยู่ในลักษณะเปรียบเทียบต่อกันและกันจากการเปรียบเทียบกันหรืออ้างอิงกันระหว่างสิ่งตรงข้ามทั้งคู่ก็จะเกิดทางสายกลางขึ้น จงตอบปัญหาอื่นๆทัานปวงในทํามนองเดียวกันนี้ในการถ่ายทอดทําให้สารุสิทธิ์ของท่านท่านควรมอบคําสอนนี้ต่อๆกันไปตามอนุชนแต่ละชั้นเพื่อเป็นเครื่องประกันความถาวรแห่งเป้าหมายและจุดประสงค์ของสํานักเราในเดือน7แห่งปีเยนสีอันเป็นปีที่1แห่งรัชสมัยไตยกิก๊กหรือเยนโวพระสังฆปริณายกได้ส่งให้สิทธิ์บางท่านไปสร้างสถูไปไวแห่งหนึ่งในวัดปวกเยนที่ชุนเจาและกําชับให้แล้วเสร็จโดยด่วน พอจวนสิ้นฤดูร้อนในปีต่อมาสถูปนั้นก็เสร็จเรียบร้อยครั้นถึงวันขึ้นหนึ่งข้ามเดือนเจพระสังฆปรินายกประชุมสารุสิกของท่านและกล่าวว่าฉันจะจากโลกนี้ไปในเดือน8หากใครยังมีข้อสงสัยอันใดเกี่ยวกับหลักธรรมแล้วจะถามสีให้ทันเวลาเพื่อท่านจะได้เข้าใจให้ประจา่างเพราะท่านอาจไม่พบใครที่จะสอนท่านอีกเมื่อฉันจากไปแล้วข่าวร้ายทำให้ท่านฟัดหอยและสารุสิ์อื่นๆน้าตาไหล ส่วนท่านชินวุยนั้นตรงกันข้ามคงสงบนิ่งและพระสังฆปรินายกกล่าวชมเชยท่านชินวุยว่าอาจารย์หนุ่มชินวุยคนเดียวเท่านั้นในที่นี้ที่ได้บรรลุถึงฐานะของจิตที่ไม่ยินดีหรือยินร้ายต่อความดีหรือความชั่วไม่รู้จักความดีใจหรือเสียใจยและไม่ไหวสะเทือนต่อคําเยือนยอหรือดิฉินแต่ท่านอบรมอยู่ในภูเขานี้ก็หลายปีท่านได้รับความก้าวหน้าอะไรบ้างขณะนี้ท่านร้องไห้ทําไม ท่านกังวลต่อฉันเพราะฉันไม่รู้ว่าฉันจะไปที่ไหนกระนั้นหรือแต่ฉันรู้มิฉะนั้นแล้วฉันคงบอกท่านล่วงหน้าไม่ได้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเรื่องที่ทำให้ท่านร้องไห้ก็คือท่านไม่รู้ว่าฉันจะไปที่ไหนถ้าท่านร้องไห้เพราะเหตุ น, นั้นก็ไม่น่าจะร้องในสภาพแห่งความเป็นเช่นนั้นโดยเนื้อแท้แล้วย่อมไม่มีการมาหรือการไปไม่มีการเกิดหรือการดับนั่งลงเถอทุกๆ ท, ท่านฉันจะกล่าวสโลกด้วยความจริงแท้และความลวง กับสโลดว่าด้วยความเคลื่อนไหวและความสงบนิ่งให้ท่านฟังจงนําไปศึกษาและความเห็นของท่านก็จะอยู่ในแนวเดียวกับความเห็นของฉันจงนําไปปฏิบัติและท่านจะทราบถึงเป้าหมายและจุดประสงค์แห่งสํานักของเราที่ประชุมต่างทั้งความเคารพและขอฟังสโสดว่านั้นในสรรพสิ่งทั้งหลายย่อมไม่มีอะไรที่จริงแท้ดังนั้นเราควรเปลื่องตนออกเสียจากความคิดเห็นถึงความจริงแท้แห่งวัตถุเหล่านั้น ใครที่เชื่อในความจริงแท้ของวัตถุย่อมถูกพันธนาการอยู่ด้วยความคิดเห็นเช่นนั้นซึ่งล้วนแต่เป็นสิ่งลวงใครที่ตระหนักชัดถึงความจริงแท้ในตัวเขาเองย่อมรู้ว่าจิตที่แท้ต้องค้นหาต่างกับปรากฏการที่ผิดถ้าจิตของใครถูกพันธนาการไว้ด้วยปรากฏการที่เป็นความลวงแล้วจะไปหาความจริงแท้ได้ที่ไหนในเมื่อปรากฏการทั้งหลายไม่ใช่ความจริงแท้สัตว์ทั้งหลายย่อมเคลื่อนไหว วัตถุทั้งปวงย่อมหยุดนิ่งใครฝึกตนให้เป็นผู้ไร้ความเคลื่อนไหวย่ยอมไม่ได้ประโยชน์อะไรนอกจากคําตนให้แน่นิ่งอย่างวัตถุถ้าท่านจะหาความสงบนิ่งที่ถูกแบบก็ควรเป็นความสงบนิ่งภายในการเคลื่อนไหวความสงบนิ่งเหมือนอย่างวัตถุก็เป็นเพียงความสงบนิ่งไม่ใช่ทยานะในสรรพวัตถุทั้งหลายนั้นท่านจะไม่พบมเมล็ดพืชแห่งความเป็นพุทธะท่านผู้เชี่ยวชาญในการจําแนกธรรมลักษณะต่างๆ ย่อมพำนักอยู่อย่างสงบนิ่งในหลักธรรมเบื้องแรกด้วยเหตุนี้ท่านจึงสำเหนียกรู้ในสิ่งทั้งหลายนี่แหละคือหน้าที่ของตาตามันดาผู้ที่ดำเนินไปตามมรรคจงกระตุ้นเตือนตนเองและคอยหมั่นระวังในฐานะที่เป็นสารุสิตของสำนักมหายานจงอย่ารวบรัดเอาความรู้ประเภทที่จะผูกพันท่านไว้กับกงจักแห่งความเกิดและความตาย สำหรับบุคคลที่มีความรู้สึกสอดคล้องกันจงอภิปรายกันในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาส่วนบุคคลที่มีทัศนะต่างจากเราจงปฏิบัติต่อเขาอย่างสุภาพซึ่งจะเป็นการอำนวยความสุขให้กับเขาเรื่องการโต้เถียงไม่ใช่วิธีการของสำนักเราเพราะเป็นการขัดแย้งกับหลักธรรมการยึดมั่นหรือขัดแย้งกับสิ่งอื่นโดยไม่คำนึงถึงหลักข้อนี้ ย่อมเป็นการผลักไสให้ภาวะที่แท้แห่งจิตของตนตกไปสู่ความขมขื่นแห่งโลกียาภูมิเมื่อได้ฟังสโลบทนี้ที่ประชุมตาม่างกราบนวัศ ก, การพระสังฆปรินายกพร้อมกันทุกคนต่างสำรวมใจปฏิบัติตามสโลอย่างจริงใจและละเว้นการขัดแย้งกันในทางศาสนาเมื่อเห็นว่าพระสังฆป ร, ริณายกจะจากไปในไม่ช้าท่านฟัดหอยผู้อาวุโสได้หมอบกราบพระสังฆปริณายกสองครั้งและถามว่า เมื่อพระคุณท่านเข้าปรินิพพแล้วใครจะเป็นผู้ได้รับมอบบาทจีวรและทมต่อไปพระสังฆปรินายกตอบว่าสำหรับคำสอนของฉันทั้งหมดนับแต่ได้กล่าวเทศนาในวัตไัยพันตราบจนบัดนี้จงคัดลอกเป็นเล่มและแจกจ่ายกันไปก็ได้แต่ให้ชื่อว่าสูตรอันประกาศบนมหาบันลังแห่งธรรมรถจงทนุถนอมไว้ให้ดีแล้วตรงมอบต่อกันไปตามอนุชนแต่ละรุ่นเพื่อช่วยเหลือสัตว์ทั้งปวง บุคคลที่สั่งสอนตามคำสอนนี้เป็นผู้ที่สั่งสอนตามทำแท้พอแล้วสำหรับทมส่วนการรักช่วงจีวร น, นั้นถือว่าเป็นการสิ้นสุดกันเพราะเหตุใดหรือเพราะว่าท่านทั้งหลายตามก็ศรัทธาต่อคำสอนของฉันโดยพร้อมมูลทั้งท่านก็ปราศจากความเคลือบแคลงสงสยัยใดๆแล้วท่านย่อมสามารถสืบต่อจุดประสงค์อสูงุยิ่งของสำนักเราให้ลุล่วงไปได้นอกจากนั้นความหมายในสโลกของท่านโพธิธรรมพระสังฆปรินายกองค์แรก ผู้ถ่ายทอดประธรรมและบาดจีวรท่านก็ไม่ประสงค์จะให้มอบแก่ใครต่อไปอีกสโลกนั้นคือจุดประสงค์ในการมาบินแดนนี้ก็เพื่อถ่ายทอดประธรรมสําหรับการปลดปล่อยสัตว์ที่ถูกครอบนาไว้ด้วยความหลงผิดเมื่อมีกลีบครบห้ากลีบดอกไม้นั้นก็สมบูรณ์หลังจากนั้นไปผลจะปรากฏขึ้นเองตามธรรมชาติพระสังคปรินายกกล่าวเสริมต่อไปว่าท่านผู้คงแก่เรียนทั้งหลาย จงชำระ จ, จิตของท่านให้บริสุทธิ์และฟังฉันพูดใครที่ปรารถนาจะบรรลุปัญญาของพุทธะซึ่งรู้ไปในทุกๆสิ่งเขาก็ควรรู้จักสมาธิเฉพาะวัตถุประสงค์และสมาธิเฉพาะแบบในทุกๆ ก, กรณีเราควรเปลื้องตนออกเสียจากความผูกพันในวัตถุทั้งหลายและวางท่าทีต่อสิ่งเหล่านั้นให้เป็นกลางไม่ยินดียินร้ายอย่าปล่อยให้ใชัยชนะหรือความปราชัยและการได้มาหรือการสูญเสียก่อความกังวลแก่เราได้ จงสงบและเยือกเย็นจงสุภาพและอรีอรรอจงซื่อตรงและเทีย่ยงธรรมสิ่งเหล่านั้นคือสมาธิเฉพาะวัตถุประสงค์ในทุกๆโอกาสไม่ว่าเราจะยืนเดินนั่งหรือนอนจงเป็นคนตรงแนว่วเราก็จะดำรงอยู่ในสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์และไม่ต้องเคลื่อนไหวแม้สักน้อยเราก็เสมือนกับอยู่ในอาณาจักรแห่งดินแดนอันบริสุทธิ์สิ่งเหล่านี้คือสมาธิเฉพาะแบบ ผู้ที่ปฏิบัติตามสมาธิทั้งสองอย่างนี้ได้ครบถ้วนแล้วก็เสมือนกับเงิอ น, นาที่ได้หวานมาเมล็ดพืชลงไปแล้วกลบไว้ด้วยโคนลนเมล็ดพืชจึงได้รับการบำรุงและเจริญเติบโตตราบจนกระทั่งผลผลคําสอนของฉันขนาดนี้ไม่ผิดอะไรกับฝนตกตามฤดูกาลซึ่งจะนําความชุ่มชื่นมาสู่พื้นแผ่นดินนกว้างใหญ่ธรรมชาติแห่งคุถาซึ่งมีอยู่ภายในเสมือนกับมเมล็ดพืชที่ได้รับความชุ่มชื่นจากสายฝนย่อมจะเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว ใครที่ปฏิบัติตามคำสอนของฉันย่อมจะได้บรรลุถึงโพธิที่อย่างแน่นอนใครที่ดำเนินตามคำสอนของฉันย่อมจะได้รับผลอันสูงเลิศเป็นแน่แท้จงฟังสโลกดังนี้มนเมล็ดพืชแห่งคุทธะแฝงอยู่ในจิตของเราย่อมงอกตามสายฝนที่ซึมซาบไปในทุกสิ่งดอกไม้แห่งหลักคาเมื่อได้ผลิออกมาด้วยปัญญาญาณผู้นั้นย่อมแน่แท้ที่จะเก็บเกี่ยวผลแห่งการตัสรู้ จากนั้นพระสังฆปริณายกได้เสริมต่อไปว่าธรรมนั้นไม่เป็นของคู่และจิตก็ฉันนั้นมักนั้นบริสุทธิ์และอยู่เหนือรูปทั้งมวลฉันขอเตือนท่านอย่าปฏิบัติสมาธิในเรื่องความเงียบสงบหรืออย่าทําจิตให้ว่างเปล่าจิตนั้นบริสุทธิ์อยู่แล้วโดยธรรมชาติดังนั้นจึงไม่มีอะไรที่เราจะต้องไปไฝ่หาหรือยกเลิกแต่ละท่านจงปฏิบัติให้ดีที่สุดและไปในที่ทุกแห่งตามแต่เหตุการณ์จะนําไป จากนั้นสานุสิษตทั้งหลายต่างกราบนมัสการและเลิกประชุมครั้นถึงวันขึ้น8ปดค่ำเดือนเจ็พระสังฆปรินายกสั่งให้สานุสิ์ของท่านจัดเรือโดยด่วนเพื่อท่านจะกลับไปสุนเจา้าเมืองเกิดของท่านบรรดาสานุสิษ์ทั้งหลายโดยพร้อมกันวิงวอนท่านอย่างร้อนรนและน่าสังเวชขอให้ท่านอยู่ต่อไปพระสังฆปรินายกกล่าวว่าเป็นธรรมดาเหลือเกินที่ฉันควรจะไป เพราะความตายเป็นผลอย่างหลีกเลี่ยนในผลของความเกิดแม้พระพุทธเจ้าทั้งหลายซึ่งพระองค์เสด็จมาในโลกนี้ก็ต้องผ่านการตายทางโลกีก่อนที่จะเสด็จเข้าสู่พระมหาปรินิพพานเรื่องนี้ก็ไม่มีข้อยกเว้นสำหรับกายอันเป็นเนื้อหนังของฉันซึ่งจะต้องเหยียดยาลงณที่ใดที่หนึ่งที่ประชุมต่างบังบอนว่าเมื่อท่านได้ยืนสุนเจ้าแล้วจะเร็วหรือช้าก็ตามขอได้โปรดกลับมาที่นี่เถิด พระสังฆปริณายกตอบว่าใบไม้ที่หล่นจากต้นแล้วย่อมกลับคืนไปสู่รากเมื่อฉันมาที่นี่ครั้งแรกฉันก็ไม่ได้บอกใครที่ประชุมถามว่าใครครับพระคุณท่านที่ท่านได้ถ่ายทอดขมกําเนิดแห่งดวงตาของธรรมแท้พระสังฆปริณายกตอบว่ามนุษย์ในหลักธรรมย่อมได้รับและบรรดาผู้สิ้นหลุดพ้นแล้วจากความคิดเห็นนั้นเฉียบขาดย่อมเข้าใจที่ประชุมถามต่อไปว่า จะมีเหตุวิบัติเกิดขึ้นแก่ท่านบ้างหรือไม่หลังจากนั้นพระสังฆปรินายกตอบว่าห้าหรือ6ปีหลังจากที่ฉันได้จากไปแล้วจะมีคนผู้หนึ่งมาตัดศรีรษะฉันฉันได้กำหนดคำทํานายไว้แล้วดังนี้สิงสการะได้เทิดทูลไว้เหนือศรีรษะของบิดามารดาเพื่อเป็นการเลี้ยงปากเลี้ยงท้องเมื่อเหตุวิบัติได้บังเกิดขึ้นแก่มุนียางและหลิวจะได้เป็นขุนนาง จากนั้นท่านกล่าวเสริมต่อไปว่าเมื่อฉันจากไปแล้วเจดสิปีจะมีพระพุทธิสัตว์สององค์มาจากทางตะวันออกองค์หนึ่งเป็นคราว่าต์อีกองค์หนึ่งเป็นพระภิกษุมาสั่งสอนธรรมในเวลาเดียวกันจะเผยแพร่พระธรรมออกไปอย่างกว้างขวางจะเสริมสร้างสำนักของเราให้มีรากฐานมั่นคงปฏิสังขรณ์วัดของเราและถ่ายทอดหลักธรรมให้แก่ผู้สืบทอดที่มีชื่อเสียงอีกมากมาย สารุสิทธ้ลายถามว่าท่านใช้พวกข้าไปเจ้าทราบได้ไหมว่าทำนี้ได้ถ่ายทอดกันมากี่โช่วคนแล้วนับจากพระพุทธเจ้าพระองค์แรกเป็นต้นมาพระสังฆปริณายกตอบว่าพระพุทธเจ้าได้เสด็จมาในโลกนี้มีจํานวนมากมายจนนับไม่ถ้วนพระองค์ขอให้เรากล่าวนามของพระองค์เพียงแต่เจพระองค์หลังเถิดคือพระพุทธเจ้าวิปัสสินพระพุทธเจ้าสิขินพระพุทธเจ้าเวสภูกันที่แล้วคืออาลังครกัน พระพุทธเจ้ากัคขุสันทะพระพุทธเจ้าโกนาขะมนพระพุทธเจ้ากัสปะพระพุทธเจ้าโคดมจากการปัจจุบันคือพัทรกันจากพระพุทธเจ้าโคดมครั้งแรกพระธรรมได้ถ่ายทอดมาสู่พระสังฆปรินายกที่หนึ่งพระอริยะมหากัสปะพระอานน์พระสันวสาพระอุปคุดพระธริตกะพระมิชกะพระสุมิตรพระพุทธนันทิพระพุทธมิตร พระปาสวะและพระปุญญายะสาส่วนพระสังฆปรินายกที่12คือพระโพธิสัตว์อสวโคูตพระอริยะอภิมนลพระโพธิสัตว์นาคารชนพระอริยคนเทวะพระอริยะราหุลตะพระสังฆนันทิพระสังฆยสัตว์พระกุมารตะพระขยตะพระวสุพันธุพระมโนระพระอักเลนะเยสัตพระสินเห พระวสิอสิตาพระปุญญมิตรพระปรญาตาระพระโพธิธรรมคือพระสังฆปรินายกองค์ที่หนึ่งของประเทศจีนท่านพระอาจารย์เว่ยโหพระอาจารย์สังสารพระอาจารย์ตูซุนพระอาจารย์ห่องยานและฉันเป็นพระสังฆปรินายกที่33จากการสืบต่อฐานสานุสิทธิ์ที่พระธรรมได้ถ่ายทอดจากพระสังฆปรินายกองค์ที่หนึ่งไปยังอีกองค์หนึ่งนับจากนี้ไป ท่านทั้งหลายคนถ่ายทอดต่อไปให้คนรุ่นหลังจากอนุชนรุ่นหนึ่งไปอีกรุ่นหนึ่งเพื่อเป็นการรักษาประเพณีเอาไว้ในวันขึ้นสามข้าเดือน8แห่งปีไกว์เซ า, านับเป็นปีที่สองในรัชสมัยชินตินหลังจากฉันอาหารที่วัดวกเย็นแล้วพระสังฆปริณายกได้กล่าวแก่สานุสิกว่าโปรดนั่งลงตามลำดับอาวุโสเพราะฉันกําลังจะกล่าวลาท่านท่านใดนั้นท่านฟัดหอยได้กล่าวกับพระสังฆปริณายกว่า พระคุณท่านได้โปรดกรุณาให้คําสอนที่จํากัดความไว้อย่างแน่นอนแก่คนรุ่นหลั ง, ลงเพื่อมหาชนผู้หลงผิดจะได้ดระหนักชัดถึงธรรมชาติแห่งพุท ธ, ธะพระสังฆปริณายกตอบว่าไม่ใช่ว่าจะเป็นการหรือวิสัยสําหรับคนเหล่านี้ที่จะระหนักชัดถึงธรรมชาติแห่งพุท ธ, ธะถ้าหากว่าเขาจะทำตนให้เคยชินกับธรรมชาติของสามัญสัตว์แต่ว่าการค้นหาความเป็นพุทธะโดยปราศจากความรู้ดังกล่าวย่อมเป็นการไร้ผลแม้เขาจะใช้เวลาเป็นการกันเที่ยวค้นหาก็ตาม เอาละฉันจะบอกให้ท่านทราบถึงวิธีที่จะทําตนให้เคยชินกับธรรมชาติของสัตว์ภายในจิตของท่านเองและโดยวิธีนี้ท่านจะตระหนักชัดถึงธรรมชาติแห่งพุทธะซึ่งแฝงอยู่ในนั้นการรู้จักพุทธะไม่ได้หมายถึงอะไรนอกไปจากรู้จักสัตว์ทั้งหลายเพราะสัตว์ทั้งหลายไม่รู้ว่าตนเป็นพุทธะโดยอนุภาคส่วนผู้ที่เป็นพุท ธ, ธะย่มไม่เล็งเห็นความแตกต่างระหว่างท่านเองกับสัตว์ทั้งหลายอื่นเมื่อสัตว์ทั้งหลายตระหนักชัดถึงภาวะที่แท้แห่งจิต<ๆ>เขาก็เป็นพุทธะ ถาพุทธะถูกครอบงำด้วยความหลงผิดอยู่ในภาวะที่แท้แห่งจิตเขาก็เป็นสามัญยสัตว์ความบริสุทธิ์ในภาวะที่แท้แห่งจิตทำให้สามัญยสัตว์เป็นพุทธะความไม่บริสุทธิ์ในภาวะที่แท้แห่งจิตย่อมเปลี่ยนพุทธะให้เป็นสามัญยสัตว์เมื่อจิตของท่านคิดหรือเศร้าหมองท่านก็เป็นสามัญยสัตว์ซึ่งมีธรรมชาติแห่งพุทธะแฝงอยู่ภายในตรงกันข้ามถ้าท่านทำจิตให้บริสุทธิ์และตรงแนว่วแม้เพียงชั่วขณะเดียวท่านก็เป็นพุทธะ ภายในจิตของเรามีพุท ธ, ธะและพุท ธ, ธะที่อยู่ภายในนั้นเป็นพุท ธ, ธะอันแท้จริงถ้าไม่หาพุท ธ, ธะภายในจิตของเราแล้วจะไปหาพุท ธ, ธะที่แท้จริงได้จากไหนอย่าสงสัยเลยเรื่องพุท ธ, ธะภายในจิตของท่านนอกจากที่นั่นแล้วไม่มีอะไรจะปรากฏขึ้นได้เนื่องจากปรากฏการ์หรือสรพรพสิ่งทั้งหลายเป็นผลิตผลมาจากจิตของเราในพระสูตรจึงกล่าวว่าเมื่ออาการของจิตเริ่มขึ้นสิ่งต่างๆก็ปรากฏ เมื่ออาการของจิตดับลงสรพรพสิ่งทั้งหลายก็ดับก่อนที่จะจากท่านฉันจะกล่าวสโลกให้ท่านฟังชื่อว่าพุทธะอันแท้จริงของภาวะที่แท้แห่งจิตอนุชนรุ่มต่อไปในอนาคตผู้เข้าใจในความหมายนี้จะได้ตรหนักชัดถึงภาวะที่แท้แห่งจิตและบรรลุความเป็นพุทธะตามในยะนี้ภาวะที่แท้แห่งจิตหรือตถตาเป็นพุทธะอันแท้จริงส่วนมิจฉาทิฐิและทาตอันเป็นพิษพิไราสามประการเป็นพยามาณ การบรรลุธรรมด้วยสัมมาทิฏฐิเรามุ่งไปสู่พุท ธ, ธะภายในตัวเราเมื่อธรรมชาติของเราถูกครอบงำด้วยธาตุอันเป็นพิษร้ายสมประการอันเป็นผลมาจากมิจฉาทิฏฐิเราก็มีชื่อว่าอยู่ภายใต้อำนาจพยามาณเมื่อสัมมาทิฏฐิได้ขจัดธาตุอันเป็นพิษร้ายเหล่านี้ไปจากจิตของเราพยามาณก็กลายร่างเป็นพุท ธ, ธะอันแท้จริงธรรมกายสัมโพค ก, กายและนิรมาณกายกายทั้งสามนี้ย่อมกำเนิดมาจากสิ่งหนึ่งคือภาวะที่แท้แห่งจิต ใครที่สามารถตระหนักชัดถึงความจริงข้อนี้ได้ด้วยปัญญายาณย่อมหวานมเมล็ดพืชและจะเกิดเกี่ยวผลถึงการตรัสรู้จากนิรมานานายนี้แหละที่ธรรมชาติอันบริสุทธิ์ของเราได้ถือกำเนิดภายในนิรมานานายนี้แหละจะพบธรรมชาติอันบริสุทธิ์และภายใต้การนําของธรรมชาติอันบริสุทธิ์นั่นเองนิรมานากายจะดําเนินไปตามนักอันถูกต้องซึ่งวันหนึ่งจะได้บรรลุถึงสัำโภคกายอย่างสมบูรณ์และภยัยศา ธรรมชาติอันบริสุทธิ์ก็ถือกำเนิดมาจากสันดานในทางการมคุณเมื่อกำจัดความปรารถนาในทางการมคุณเสียได้เราก็บรรลุธรรมกายอันบริสุทธิ์เมื่ออารมณ์ของเราไม่เป็นธาตุของวัตถุแห่งกามทั้งห้อีกต่อไปและเมื่อเราได้ถ น, นักชัดถึงภาวะที่แท้แห่งจิตแม้เพียงขนาดเดียวเมื่อนั้นเราก็แจ้งในสัจจะเมื่อเรามีโชคดีที่ได้มาเป็นสานุสิทธิ์ของสำนักฉัพพันในชาตินี้เราย่อมพบพระพะวาของภาวะที่แท้แห่งจิตได้ในทันใด ใครที่ค้นหาพุทธะด้วยการปฏิบัติตามลักที่อื่นย่อมไม่ทราบว่าจะพบพุทธะที่แท้จริงได้ที่ไหนใครที่สามารถตระหนักชัดถึงสัจจะภายในจิตเขาเองย่อมเป็นผู้หวานเิริยพืชแห่งพุทธะใครที่ไม่ได้ตระหนักชัดถึงภาวะที่แท้แห่งจิตและค้นหาพุทธะจากภายนอกย่อมเป็นคนโง่ที่มีความปรารถนาผิดเป็นเครื่องกระตุ้นโดยในยะนี้ฉันได้มอบคำสอนของสำนักฉักพัน์ไว้ให้อนุชนรุ่นหลังแล้วเพื่อเป็นการช่วยเหลือมวลสัตว์ที่สนใจจะปฏิบัติธรรม โปรดฟังฉันบรรดาสาโนสิทธิ์ในอนาคตเวลาของท่านจะสิ้นไปอย่างเปลือยเปล่าถ้าท่านเพิกเฉยไม่นำคำสอนนี้ไปปฏิบัติเมื่อสโลกจบลงแล้วพระสังฆปริณายกกล่าวต่อไปว่าจงรักษาตัวให้ดีเมื่อฉันเข้านิพพานแล้วจงอย่าเอาอย่างทำเนี่ยมโลกอย่าร้องไห้หรือโศกเศร้าไม่ควรปล่อยให้เกิดความเสียใจหรือครั่มครวญเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องตรงข้ามกับคำสอนที่แท้ใครที่ทำเช่นนั้นย่อมไม่ใช่สิทธิของฉัน สิ่งที่ควรทาก็คือจงรู้จักจิตของท่านเองและตรหนักชัดถึงธรรมชาติแห่งพุทธะของท่านซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่สงบนิ่งและไม่เคลื่อนไหวเป็นสิ่งที่ไม่เกิดและไม่ดับเป็นสิ่งที่ไม่มาและไม่ไปเป็นสิ่งที่ไม่รับและไม่ปฏิเสธเป็นสิ่งที่ไม่คงอยู่และไม่จากไปมิฉะนั้นแล้วจิตของท่านจะถูกครอบงําด้วยความหลงผิดทําให้ไม่อาจเข้าใจความหมายได้ฉันทบทวนเรื่องนี้กับท่าน เพื่อท่านสามารถตระหนักชัดถึงภาวะที่แท้แห่งจิตเมื่อฉันจากไปแล้วถ้าท่านทําตามคําสอนของฉันและนําไปปฏิบัติการที่ฉันจากท่านไปก็ไม่เป็นข้อประหลาดอายอ่างใดตรงกันข้ามถ้าท่านฝ่าฝืนคําสอนของฉันแม้ฉันจะอยู่ต่อไปก็ไม่เกิดคุณประโยชน์อันใดแล้วพระสังฆปริ ญ, ญายกก็กล่าวสรุปตอบไปว่าด้วยความเยือกเย็นและไม่กระวนกระวายบุคคลชั้นเลิศไม่ต้องปฏิบัติความดีด้วยความเที่ยงธรรมและเป็นตัวของท่านเอง ท่านไม่ต้องกระทำบาปด้วยความสงบและสงัดท่านเพิกเฉยการดูและการฟังด้วยการเสมอภาคและเที่ยงตรงจิตของท่านไม่ได้พำนักณนะที่ใดเมื่อจบสโลกแล้วพระสังฆปรินายกก้นั่งสงบนิ่งจนกระทั่งยามสามของคืนนั้นท่านใดนั้นท่านกล่าวแก่สานุสิตอย่างสั้นๆว่าฉันจะไปเดีน๋นี้แล้วท่านก็เข้านิพพานไปในขณะนั้นกลิ่นหอมอันประหลาดคลุ้งไปทั่วห้อง รุงจากแสงจันทร์ปุดขึ้นประดุดเชื่อมฟ้ากับดินพันไม้ในป่ากลายเป็นสีขาวนกและสัตว์จตุบาททรงเสียมระงมครั้นถึงเดือน11อในปีเดียวกันนั้นปัญหาว่าจะเก็บพระสรีร่างของพระสังฆปรินายกไว้ที่ไหนกลายเป็นข้อพิพาทระหว่างข้าราชการแห่งเมืองกวางเจาชิวเจาและซุนเจา ตางฝ่ายต่างต้องการให้เก็บไว้ในเมืองของตนแม้สาสนุสิกของพระสังฆปรินายกรวมทั้งภิกษุและครวญอื่นๆก็เข้าร่วมโต้แย้งในการนี้ด้วยเมื่อไม่อาจปรองดองกันได้จึงพร้อมใจกันจุดเครื่องหอมและอธิษฐานขอให้พระสังฆปรินายกบอกทิศทางโดยการถืออาการลอยของขันเป็นเกณฑ์ขันนั้นลอยไปทางโซกายฉะนั้นในวันขึ้น13บสาค่ำเดือน11จึงได้อัญเชิญพระส리 ร, ระร่างพร้อมด้วยบาทและจีวรของท่านไปยังโซกาย ในปีรุ่งขึ้นวันแรมสิบค่ำเดือนเจมีการอัญเชิญพระศพของท่านออกจากสถูปท่านฟองปิ่นสารุสิตองหนึ่งของพระสังฆาปรินายกได้หุมร่างของท่านไว้ด้วยดินหอมเมื่อระลึกถึงคําทํานายของท่านว่าจะมีคนมานําพระเศียรของท่านไปบรรดาสารุสิตจึงพร้อมใจกันเอาแผ่นเหล็กมาหุ้มคอของท่านไว้และผ่านร่างของท่านด้วยผ้าอาบ น, น้าํายาก่อนจะอัญเชิญเข้าไปไว้ในสถูปตามเดิม ทันใดนั้นเกิดเป็นแสงสว่างสีขาวโผลพุ่งขึ้นจากสถูปสู่ทของฟ้าเป็นเวลา3วันจึงหายไปบรรดาข้าราชการแห่งเมืองชิวเจียจึงได้กราบทูลรายงานต่อพระมหาจากักรพรรพระมหาจากักรพรรดมีพระบรมราชโองการให้สร้างแผ่นจารึกบันทึกชีวประวัติของพระสังฆปรินายกพระสังฆปรินายกได้รับมอบจีวรและบาดเมื่ออายุ24ได้อุปสมบทเมื่ออายุสาและเข้าสู่นิพพานเมื่ออายุ76 ท่านได้เทศนาธรรมเพื่อประโยชน์แก่มวลสัตว์เป็นเวลา37ปีสารุษสิทธิ์ของท่าน43องค์ได้รับมอบธรรมและได้เป็นผู้สืบทอดจากท่านด้วยกรรมวาจาส่วนผู้ที่เห็นแจ้งในธรรมจนละคารวาดวิสัยนั้นมากมายเหลือขนานนับจีวรและบาทอันเป็นเสมือนสัญลักษณ์แห่งความเป็นพระสังฆปริณายกซึ่งพระโพธิทรรมท่านได้มอบตกทอดมาตลอดจนจีวรโมลาและบาทผลึก ซึ่งพระมหาจักรพรรดิจุงจุงได้ส่งมาถวายภาพสลักของพระสังฆปริณายกโดยท่านฟองปินและสิ่งศักดิ์สิทธิ์อื่นๆนั้นอยู่ในความพิทักษารักษาของผู้เฝ้าสถูปเป็นสิ่งซึ่งต้องรักษาไว้ในวัดโอลัมชั่วกาลนานเพื่อเป็นสวัสดิมงคลแก่วัดพระสู่ที่ท่านได้เทศนาก็นํามาพิมพ์และแจกจ่ายทั่วกันเพื่อให้ประชาชนได้ทราบถึงหลักการและจุดประสงค์ของสํานักธรรมงานต่างๆเหล่านี้ได้จัดทันไปก็เพื่อความรุ่งเรืองสถาพร ของพระรัตนตรยัยและเพื่อความสวัสดิมงคลทั่วไปแก่มวลสัตว์จบพระสูตรรรมสภาขอกราบขอพพบพระคุณพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุนพระธรรมโกษาจารย์หลวงพ่อพุทธทาภิกขุผู้เป็นองค์บรรยายและผู้ประพันธ์เป็นอย่างสูงซึ่งเปรียบเสมือนดวงพระทีพส่องนำทางไปสู่ความถูกต้องอันเป็นปัจจัยนาไปสู่พระนิพพานแก่ชาวโลกทั้งปวงกราบขอบพระคุณกองตำราคณะธรรมทาน และคุณเมตตาพาณิชย์ประธานธรรมทานมมลนญทิธิเป็นอย่างสูงที่เมตตาให้จัดทำซีดีอันทรงคุณค่าชุดนี้อันเป็นการประกาศเกียรติที่คุณแห่งองค์บรรยธรรมและผู้ประพันธ์ท่านที่ประสงค์มีไว้เพื่อศึกษาหรือจัดทำเป็นธรรมทานโปรดติดตอ่อที่ธรรมสภาหมายเลขโทรศัพท์02นย์ส5ง5ีซ8หนึ่ 0. ขอได้รับความขอบพระคุณจากธรรมสภา